สิกขาบทที่สว่าด้วยการบวชให้สิกขามานาผู้ยังไม่ได้ศึกษาธรรม6ข้อตลอดสองปีเรื่องภิกษุณีหลายรูป 1,077 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกาเศรษฐีเขตครุงสาวัตถีครั้งนั้น ภิกษุณีทั้งหลายบวชให้สิกขามานาผู้ไม่ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหกข้อตลอดสองปีสิกขามานาผู้บวชเป็นภิกษุณีเหล่านั้นโง่เขาไม่ฉลาดไม่รู้สิ่งที่ควรหรือไม่ควรบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามพนธนาว่าฉนัยพวกภิกษุณีจึงบวชให้สิกขามานาผู้ไม่ได้ศึกษาศิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีครั้นแล้ว